ใ ห, ให้สิ่งอื่น NXT, นอกจากสิ่งที่พระองค์สั่งสม tau? ไหมบอกเป็นไปไม่ได้พระองค์สั่งสมสิ่งใดตรัสรู้สิ่งใดพระองค์ก็จะให้เราสิ่งนั้นนั่นแหละพระองค์สั่งสมทานมาพระองค์จึงสั่งสอนสาวกในเรื่องการให้ทานพระองค์สั่งสมศีลมาพระองค์จึงสั่งสอนสาวกเพื่อให้มีศีลพระองค์สั่งสมปัญสมถตเนคขัมมะมาพระองค์จึงสั่งสอนให้สาวกทั้งหลายจเจริญเนคขัมม ะ, จะเจริญสมัตเจริญสมาธิทั้งหลายทำสามที่ควรเจริญคือ สมาธิสมสมาธิมีวิตกวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารหรือในหนึ่งในหนึ่งสมาธิที่ประกอบด้วยปีติสมาธิที่ประกอบด้วยสุขหรือสมาธิที่ประกอบไปด้วยอุเบกขารรห้าที่ควรเจริญคือสมาธิห้านะปีติพรณตาสุขะพรรณตาอุเบกขาพรรณตาเจโตพรรณตาเป็นต้นน่นะก็คือสมาธิห้า พันทำหกที่ควรเจริญคืออนุสติหกทำสิบที่ควรเจริญคือกสินสิเกี่ยวาก็เรื่องสมาธิเกี่ยวกับเรื่องเนคขมมะทำแปดที่ควรเจริญข้อสุดท้ายคือทำแปดที่ควรเจริญมัดแ8ดข้อสุดท้ายคือสมาธิเนี่ยนะพระพระอง์ก็สอนให้เจริญอะไรพรนธเนคขมมะนั่นคือเนคขมมะของพระองค์แล้วพระองค์ก็สอนเรื่องปัญญาพระองค์สั่งสมปัญญาสร้างบา ร, รมีจนเป็นผู้มีปัญญาพระองค์จึงสอนสาวกให้พระมีปัญญานี่นะ พระองค์มีวิริยะพระองค์จึงสอนสาวกให้มีวิริยะเนี่ยนะสรุปคิดง่ายงพระองค์มีศรัทธาพระองค์สอนสาวกให้มีศรัทธาพระองค์มีวิริยะสอนสาวกให้มีวิริยะพระองค์มีสติสอนสาวกให้มีสติพระองค์มีสมาธิสอนสาวกให้มีสมาธิพระองค์มีปัญญาพระองค์จึงสอนสาวกให้มีปัญญาเพราะความที่พระองค์สั่งสมบารมีเหล่านี้มา พระองค์ไม่ได้สั่งสมอย่างอื่นไม่ได้สั่งสมภพไม่ได้สั่งสมวัตตะเมื่อพระองค์ไม่สั่งสมภพไม่สั่งสมวัตตะนี่แหละลูกชายคนเดียวของพระองค์คือพระาหุนมาขอมรดกจากพระองค์พระองค์ไม่ให้มรดกในวัตตะเพราะพระองค์ไม่ใช่เป็นคนที่สั่งสมวัตตะพระองค์ให้มรดกที่เป็นวิวัตะให้ศีลไปเลยขั้นแรกเอาขอมรดกหรือเอาบวชเลยให้ศีลก่อนให้มรดกคือศีลเดี๋ยนะให้มรดกคือผ้ากาสาวพัด แล้วก็บอกมรดกคือนี้กายสุจริตนี้วจีสุจริตนี้มโนสุจริตนี้สมถานี้วิปัสสนาเช่นวิปัสสนาราหุนนะนะพงศ์กสอนพระราหุนธาตุมีสีประการไหมธาตุดินธาตวน้ําธาตุไฟธาตุลมหรือปฐวีธาตุเตโชอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุราหุนปฐวีธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งภายในหรือภายนอกทั้งหมดนั้นก็เป็น ปฐวีธาตุเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงหรือด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเพราะองค์มีปัญญาองค์ก็สอนให้พระราหุลมีปัญญาพระองค์เนี่ยจึงเป็นผู้ที่ประทานอริยสัพย์ให้แก่พระราหุลเนี่ยนะประทานอริยสัพย์ให้แก่พระราหุลซึ่งพระราหุลก็ได้รับประทานอริยสัพย์เป็นพระอารหันต์ตั้งแต่พรรษาแรกไม่ใช่ตอนอายุเ็ดขวบนะอายุ ยีแล้วพรรษาแรกพันจึงเป็นพระอรหันต์สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็สําเร็จแล้วถามว่าถ้าเป็นภาะอารหันต์กับถ้าต้องยังต้องทนอยู่ในวัดตะเนี่ยนะแบกขันธ า, ายาตนาไปเนี่ยถ้าเราน้ําหนักหกสกิโลเราต้องแบกน้ําหนักเท่าไหร่1กดกิโลก็ <c oughs> <c oughs> รองเท้ามั่งเสื้อผ้ามั่งเครื่องนุ่งหม่ม เ, เข็มขัดแว่นตานาฬิกาพวกเครื่องสายพวกหมวกพวก เครื่องคลาทั้งหลายโอ้บางทีเยอะกันนั้นด้วยนะไหนก็ต้องแก้วน้ําไหนขวดน้ําไหนอุ้ยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบกน้ําหนักเกินหกสกิโลถ้าเราน้ําหนักหกสิบกิโลนะถ้าน้ำหนักแปดสิบเราต้องแบกแปดิบสองแบกแปดสิบสามเนี่ยอุ้ยยิ่งแบกหนักเข้าไปอีกเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้แหละถามมันทุกขนาดไหนอ่ะแล้วก็ต้องทนทุกและชาติเดียวใช่ไหมมันจะชาติเดียวหรอกี่ภพกี่ชาติแล้วนะอนะนะการเกิดบ่อยๆเป็นทุกร่าไปเนี่ยนะนะ มันกกก้อเกิดบ่อยเท่าไหร่ก็ต้องเบรกทุกบ่อยๆเท่านั้นนั้นพระองค์จึงสอนให้ออกจากพบออกจากวัตตะแต่บางคนแหมเขาว่ายังไม่อยากปรินิพานหรอกขอให้อยากมันก็ไม่นิพานง่ายๆหรอกเชอเถอะไม่ต้องกลัวว่าจะนิพานเร็วไม่ต้องห่วงเนี่ยนะโครงการนี่ไรโครงการเนี่ยนะเป็นกับๆทั้งนั้นแหละเป็นโครงการเป็นหมื่นกับ ถ้าคุณจะคิดจะเป็นสาวกแบบพิเศษหน่อยก็เป็นโครงการเป็นแสนกับถ้าปรารถนาะจะเป็นอัครสาวกโครงการนู่นอสงไข่กับถ้าจะปรารถนาบรรลุแบบพระปจเจก็นู่นโครงการสองอสงไขยอีกแสนกับถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาที่กะก็โน่นแหะเสียสงไขยแสนกับไม่มันบรรลุ ก, กันง่ายๆเราไม่ต้องห่วงบางคนก็ออกไม่เรียน อ, อกกลัวจะ น, นิพพานไอ้นิพพานเขาแปละว่าตายมีร้องนิพพานแปละว่าตายไม่มีในพระไตรปิฎกนิพพานแปละว่าไม่ตายเนีนะะ่ย นิพพานคืออมตะตังปณีตังไงเป็นธรรมที่ไม่ตายนี่ย น, นะพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตายสภาวะของเขาเป็นอสังขตะธรรมจึงไม่ตายเพราะเป็นธรรมที่ดับความตายทีนี้คนเข้าใจผิดกลัวจะบรรลุง่ายๆบอกยากอีกนานเรื่องมันยาวเพราะว่าทางสายนี้ยังอีกไกลแต่วัฏ ต, ตะไกลกว่าเยอะะ น, น, นะแต่สังสารวัฏเนี่ยไม่มีจบมีสิ้น แต่การศึกษาพระธรรมคําสอนนี้จบสิ้นบางคนก็บอกอุ้ยรอถึงวันนั้นแล้วค่อยศึกษาบอกวันไหนวันชัมเลียงลงชําเลียงอะไรชรําเลียงเตียงผู้ป่วยไงชําเลียงเตียงผู้ป่วยก็เท่ากับชําเลียงอะไรแล้วชําเลียงอะไรนะแก้วบงังลงแก้วลงอะไรก็ว่ากันไปไปถึงวันนั้นก็ไม่ต้องอะไรแล้วเนี่ยนะถ้ารอชาติหน้าด้วยยิ่งบอกว่าชาตินี้ยังขนาดนี้เลยนะแล้วชาติหน้าจะขนาดไหน ชาตินี้ยังฉลาดอย่างนี้แล้วชาติหน้าอย่าคิดว่าจะฉลาดกว่าชาตินี้นะดูจากอะไรดูว่าชาตินี้คิดจะฉลาดเท่าไหร่นะชาติหน้าบอกแล้วว่ามันจะแค่ไหนเนี่ยนะคือคือมันดูจากชาตินี้บอกเพราะอะไรพระุทธเจ้าบอกประจำเลยนะถ้าใครอ่านชาดกนะภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเนี่ยนะ ภิกษุรูปนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนี้แต่ชาตินี้นะเมื่อชาติก่อนก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะว่าเรื่องเคยมีมาแล้วทั้งนั้นแหละมันศรัทธาทั้งหลายก็เหมือนกันมันเรื่องเคยมีมาแล้วเนี่ยนะแล้วจักมีต่อไปแต่ถ้าไม่เจริญให้สําเร็จละ่ะไปนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะบรรลุง่ายจะบรรลุเร็วบรรลุยากอยู่แล้วแหะบางคนก็เกินอีกนะบอกก็ยากนี่แหละก็เลยไม่ศึกษาเพราะมันยากว่างั้นนะโอ้ยสรุปว่าขออนุรักษ์นิยมตลอดไปก็แล้วกันเนี่ยนะ เขามาก็ดีใจสาธุยังไงก็ขออย่าเป็นเราเถอะใครจะคิดอะไรก็คิดเถอะเนี่ยนะยังไงยังไงก็เว้นเราไว้คนหนึ่งกันก็ยังดีนะคนอื่นจะคิดอย่างนี้บ้างก็ไม่ว่าอะไรนะอนุมโมทนาด้วยเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นศรัทธาที่ยังไม่เกิดทํำยังไงนาะจะได้เกิดศรัทธาที่ง่อนเงันทํำยังไงนาะจะตั้งมั่นในพระรตนะตรายศีลที่ยังไม่ดีทํายังไงจะดีขึ้นศีนที่ดีขึ้นแล้วทํายังไงจะปกปกักรักษาประคับประคองให้ยั่งยืนและ ยาวนานสมถาวิปัสนาที่ยังไม่เจริญก็เจริญสมถาวิปัสนาที่เจริญแล้วก็หาเหตุหาปัจจัยประคับประคองให้ยืนยาวนานเพราะฉะนั้นขอกุศลธรรมที่เจริญเนี่ยก็ขอให้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเพื่อตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเธอสะสมหน่วยทางความคิดเนี่ยนะ จนกว่าจะเป็นมหาอัปปมามะนะจากปริตตะเป็น ม, ปปมากะตะจากมากะตะเป็นอัปปมามะนะจากเล็กน้อยเป็นเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้ถามว่าจะต้องอะไรนะหาวัตถุดิบต้องจํากัดไหมถ้าต้องการเจริญคุณธรรมเหล่านี้มั้นวัตถุดิบจึงไม่มีจํากัดบางคนเนะชื่อไหมอ่านพระไตรปิฎกถ้ามาตัดต่อเข้าเล่มหนากว่าพระไตรปิฎกเยอะเนี่ยนะจะไม่้อเรื่องหนากว่าไหมกว่าเนี่ยนะเรื่องไม่โกรธนะว่ากันได้คนเดียว ยังไม่โกรธโปรดก็เป็นบาทีนะ่นเรืองเนาะโกรธก็เป็นอกุศลคือคืนนี้ถ้าเมังเรื่องถ้าอ่านหนังสือพิมพ์เยอะจริ ง, งยองก็เล่าให้ฟังนะในนินทาตอนหน้าบอกาเก็บหนังสือตั้งแต่สมัยพระเจ้าอะไรมาก็ไม่ทราบเนี่ยนะเก็บเก็บก็บก็บ้านเนี่ยกองด้วยหนังสือพิมพ์โต้ตอนนี้ไม่รู้เลอะเลยอย่างไม่ ร, มรู้จะทำพิพนนิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาห่วงว่าเอ๊ะถ้าไฟไหม้จะทำยังไงเนี่ยนะเชื่อเพลิงอย่างดีเลยนะเพราะหนังสือพิมพ์มันก็คือฟืนใช่ไหม ก, ก็บ บอกเอาไว้อ้างอิงมาเงินโอ้ โ, อโหลคิดได้ไงไม่รู้แต่ละเรื่องอนะแต่ว่าสรุปว่าถ้าเก็บเข้าเล่มนะถ้าเข้าเล่มเนี่ยเท่ากับพระไตรปิฎกหลายชุดนักแลงง้วมาเงินเถอะตัวตัวหนังสือก็นิดเดียวชิดเดียวเนี่ยนะอุยอ่านจนตาจะเป็นกุ้งยิงหมดละวันสำคัญเราทำยังไงวะเออเนี่ยมาแบ่งยังไงให้ชีวิตมันมีสาระเป็นไปเพื่อเจริญก้าวหน้าพัฒนาน้อมไปเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้เพราะถ้าไม่ตรัสรู้แปลว่าอะไรตรงกันข้ามกับตรัสรู้คืออะไร ก็คืออวิชชากับมิจฉาทิฐิอวิชชาเนี่ยมันมาคู่กับวิชฉาทิฐิมิจฉาทิฐิมันมาคู่กับอวิชชาอาวิชชาปัจยาสังขาราอาวิชชาที่เกิดขึ้นต้องเป็นปัจจัยแก่กายกรรมวจิกรรมมโนกรรมเป็นปัจจัยแก่บุญบ้างเป็นปัจจัยแก่ บ, บาปบ้างทั้งบุญทั้งบาปมันก็นำเกิดขึ้นชื่อว่าการเกิดเมื่อปฏิสนธิอย่างลงนามรูปก็อย่างลงเมื่อนามรูปอย่างลงอายตนะก็เติบโตขึ้น เป็นตาสองตาบ้างตาเดียวบ้างมีหูสองหูบ้างนะมีตาแบบเข้าข้างในลึกบ้างออกโพลออกไปข้างนอกบ้างเป็นตาคนบ้างตาหมูตาอุ้ยสารพัด ต, ตาเนี่ยนะเป็นอายตนะก็ย่างลงน ะ, ะหูก็อย่างลงจมูกก็อย่างลงจมูกแบบจมูกสั้นจมูกยาวจมูกยาวเป็นวาก็มีเป็นงวงช้างองนะไรเงี้ยเขาม จมูกแหว่งพดานโวไปบ้างอะไรเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เป็นร่างกายเป็นตัวตั้งแต่เป็นตัวรินตัวไรตัวเล็กเป็นไรฝุ่นใหญ่จนต้นตัวเท่าปลาวานตัวเท่าช้างเนี่ยนะก็จําแนกร่างกายที่แตกต่างปัญญานับตั้งแต่อหิตุกะยันติเหตุกะแบบทั้งกุศลวิบากพาะ้ะนามวิญญาณอย่างลงนามรูปอย่างลงอายตนะก็เติบโตขึ้นเนี่ยนะมันจะตาคู่ไหนมันก็ทํากรรมอยู่ดีะนะเพราะอายตนะเป็นปัจจัยจึงมีพัสสะเวทนาต่อด้วย ตันหาอุปาทานกรรมถาวรตามมันก็สร้างพบสร้างชาติมีหูก็เพื่อสร้างพบสร้างชาติมีจมูกก็สร้างพบสร้างชาติมีลิ้นมีกายมีใจก็เพื่อสร้างพบสร้างชาติถ้าไม่ตรัสรู้เมียนเดียวเกื้อวิชาด้วยมิฉาทิฐิด้วยถ้าตรัสรู้ล่ะก็พ้นจากวัตถทุกทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะนับตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นพราะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นปัจจัยให้ สัตว์ทั้งหลายตราสรู้ตามหลายท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่ตรัสรู้ตามเวลาทําบุญนะตั้งความปรารถนาเพื่อให้ตรัสรู้ตามถามว่าตั้งความปรารถนาคิดครั้งเดียวพอไหมมันมีเรื่องมรรคผลนี่แหละขเขาบอกว่าปรารถนาครั้งเดียวก็พอแล้วทีเรื่องอื่นนะ้ยปรารถนาบ่อยไหมอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะหิวข้าวนะปรารถนาจะกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็คิดถึงก็หิวข้าวไหม เคยใครเคยหิวข้าวเนี่ยเดี๋ยวก็นึกถึงอาหารมันมองสมมตินะอย่างใกล้เพลนแล้วก็หิวด้วยเนี่ยนะนั่งรถไปนั้นมันมองเห็นป้ายอะไรเป็นป้ายร้านอาหารไปหมดนะมันเห็นอยู่ป้ายเรื่องเดียวคือเรื่องร้านอาหารทั้งป้ายปั๊มน้ำมันล้อรถมันอะไรมันเห็นเป็นป้ายร้านอาหารหมดอ่ะเฮ้ยน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่มันไม่ใช่ซากันเนี่ยนะไปที่หนึ่งโอ้เวลาจะฉันเพลนก็จะหมดอยู่แล้วเนี่ยนะ จะชันเพนอยู่แล้ววิ่งรถทั้งหลายกิโลไม่เจอร้านอาหารเลยบอกเอ๊บ้านเมืองนี้เขาไม่ฐานข้าวกันด้วยไงน้อนเนี่ยนะนอนสิเบเอ็มงครึ่งเพิ่เจอร้านอาหารนะครับวิ่งไปแล้วมันไม่ใช่วิ่งบ้านนอกนะวิ่งในตัวเมืองด้วยเจอร้านอาหารอยู่ร้านเดียวเพือ่ออะไรก็ฉันไปเลยเขาบ่างั้นนะเนีย่ยโยบเรียบพ้ขวาใหญ่เลยเนะี่ยก็คิดดูว่ามันเละหาแต่ร้านอาหารอย่างเดียวนะตามรู้กี่คู่จ้องดูนะครับ ก็คือมันปรารถนาถามว่าทุกครั้งที่ชำเลืองมองนะั่นแหละตั้งความปร า, า, ารถนาหาร้านอาหารมันจึงจะได้นะถ้าถามว่าไม่สนใจเลยล่ะเอาเจอไหมยากฉันใดก็ดีมักผลนิพานนะขอครั้งเดียวพอไหมบางคนก็บอกอ๊้จะขอทำไมกันกนกนหะาทำไมต้องขอบ่อยจังอะไรเป็นต้นตั้งอัตตะสัมมาปณิที่ไม่มีอัปมงคลหรอกมีแต่เป็นมงคลควรตั้งให้บ่อยๆแม้แต่จิตตุบาทในกุศล เราตะทาคตยังกล่าวว่ามีผลมากจะกล่าวไปใหญ่ถึงจัดแจงด้วยกายและวาจาแล้วก็ตั้งบ่อยๆสิปัญหาว่าทีทาชั่วเนี่ยตั้งบ่อยนะ่ถ้าเราตำหนิใครสักคนเนี่ยมันตั้งบ่อยนะก็มันเลวอ่ะก็มันไม่ดีอ่ะอุ้ยบอกสมมติคนอื่นเขาด่าเรานะเขาด่าคําเดียวะที่เหลือเราด่าเราเป็นวันๆเนี่ยนะด่าวันแล้ววันเล้วนะเก็บมาด่าไอ้เขาว่าเราเขาว่าเราด้วยใจว่าเรากันแน่ เขาว่าแค่คําเดียวและเสียงอันนั้นก็ดับไปตั้งแต่สมัยไหนมันเป็นคลื่นลมมันเป็นคลื่นลมกระทบหูเท่านั้นแหละมันก็หมดไปแล้วอะ่ะไอ้ใจเราเนะี่ยเก็บมาดา่าตัวเองเก็บมาด่าตัวเองดา่าตัวเองด่าแล้วด่าเล่าน้ําตาก็เจองนองดา่าตัวเองกันแหละหาก็ห า, าว่าคนอื่นเขาด่าตัวเองได้ที่ไหนได้ กระจเราเนี่ยแหละดาจเราเนี่ยนะตำเนตเตียนตัวเองที่บาปอย่างนั้นเราตั้งเอาตั้งเอาเนี่ยนะโลภาก็ตั้งเอาตั้งเอ า, เ อ, าอยากได้อะไรสักอย่างน่ยอยากมากเลยนะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเอาแล้วเอาอีกเนี่ยนะคิดถึงสีคิดถึงเสียงอัธีคุณธรรมชั้นสูงตั้งครั้งเดียวก็พอมันก็ได้แบบพอๆนั่นแหละมันก็ได้แบบอะไรมันก็ได้ตามสมควรแก่ตั้งถ้าวันนี้กุศลจิตเราเกิดน้อยนะแสดงว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ตั้งจิตเพื่อจเจริญกุศลไว้สักเท่าไหร่หรอก มันบอกแล้วว่าอดีตของเราเนี่ยมั น, มนทําการบ้านมาไม่ดีเนี่ยนะถ้าวันนี้กุศลจิตเกิดน้อยเมื่อวานวานก่อนปีก่อนเนี่ยไม่ได้ทําการบ้านอะไรเลยวงเวงหลงเหลงตลอดเลยนะถ้าวันนี้วงเวงหลงเหลงจะคิดว่าพรุ่งนี้ปรรืนนี้มันจะดีกว่านี้สักเท่าไหร่ไหมชราอายุเนี่ยดีขึ้นจริงอ่ะนะตัวเลขสูงขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีอายุอ่ะนะแต่ว่ากุศลธรรมไม่แน่ทําไม่ตั้งเอาไว้ให้ดีมันก็ต้องหมั่นตั้งกุศลจิตเนี่ยบ่อยๆตั้งอัตตสัมมาปณิทิบ่อยๆว่า กุศลจิตจะเกิดได้อย่างไรเนี่ยนะแต่ถ้าคนที่ไม่ตั้งจิตแม้กระทั่งจิตตัวเองยังไม่ตั้งให้เป็นกุศลเนี่ยเขามาว่าโหร้ายมากเลยนะเป็นคนที่ใจดำำําอมฤทธิ์พอสมควรเลยแหละมากเลยแหละทําไมนะขนาด จ, จิตที่เป็นกุศลยังไม่คิดตั้งให้แก่ตัวเองสิ่งเหมือนกับว่าอะไรนะเป็นคนใจดําไม่ข้าวเขามายอมกินยังไงนะตั้งไว้บอกไม่ต้องกินหรอกข้าวน้ําก็ไม่ต้องดื่มนอนก็ไม่ต้องนอนหลับก็ไม่ต้องหลับตั้งไว้ประเภทนี้ถามว่าเป็นคนดี ไ, ม ไ, มไหมอยู่มะ งคนนี่เรียกว่าใช้ไม่ได้เลยแหละนี่ก็เหมือนการถ้าแม้แต่กุศ ล, ลจิตยังไม่ตั้งให้ตัวเองเป็นกุศลบ้างเลยเนี่ยจะเป็นคนที่น่าสงสารขนาดไห น, นแต่เข้อม า, ว, าว่าที่พูดทั้งหมดอยากให้อนุมโมทนากับตัวเองมากกว่านะก็ขออนุมโมทนากับคนที่ตั้งจิตเป็นกุศลแล้วก็ตั้งโดยเฉพาะตั้งจิตเพื่อการ ตรัสรู้ในสิ่งที่ประเสริฐคือการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าในนั้นบุญกุศลทั้งมวลที่ได้กล่าวนี้ก็จงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าโดยท่วกันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้